งูเขอาเกิดมาเห็นยังเจาะเป็นกำเสียแนเป็นกำไหนเป็นกำเป็นเว่นยังเหรอเป็นกำเป็นเว่นดิ้นร่นเนาะอืมอันนี้เกิดมาเนี่เห็นยังแน่แน่วสาคั้นสาพันแน่วนาสลดใจแน่วนาเช็ดนาราบเห็นยังแน่นาเช็ดนาราบไรก็มูเห็นยังแน่ พอถือยุบเห็นร่างกายรังขานเกิดลดชนน่อนที่นี่ก็เกิดไม่นมาจากใสแต่ว่าคนตายไม่จากเกิดของชักแล้วอ่ะ น, นี่ก็เกิดมาจากไรแบบเนี่ยไม่จากฟองในแม่บอ่ะนางคนนจางผ่สั้นขันแขงกันหาทุกเนี่ยอยู่ในหลอแล้วมันพอบอ่ะ คู้ไดใ้ใทรับสุขสบตามสมกวนไม่หรอสุขไม่ทรัพย์กับยกไว้ผู้ไม่ทรัพย์กับเป็นสุขดูขันนี้ร้านอะไเข้ามามาจีมะกนขันนี้น่อยแล้วมันว่าใสมี้ําไดจังสิพอดีคาสอนพระพุทธเจ้ากับคาสอนของเ้าโลกกับคาสอนของรับที่อืน่อนพระพุทธเจ้าคาสอนพระพุทธเจ้าลาสมัยบ่ ข้สอนอื่นก็ข้ามสอนทุกที่เจ้าได้ดีข้าเหลืองใช้ข้าสอนได้หลายกมูหนึ่งยังสองยังสามยังเอาต๊อปตใหไม่ชิดทุกคนะเออนีเหตุผลเระฟังข้าวเป็นยังข้าวจึงอาบน้ำมันชกกระปรงแมนหรืม่้าเป็นยังข้าจึงรักษาโลกเพราะร่างกายมีโรกแมนหอไ่ เขาเปนะ็นยังเขาจังปฏิบัติสิรร่งท่ำพอ ย, ยใจมันมีจิเลศแมน่นมั้งขใจมีจิเลศมีโลมิโรกรมิลงอยู่แล้วการปฏิบัติสิรร่งท่ำกับปฏิเสธบดาแม่นมัแมนแ่นบั้งแต่การร่างกายของเขามันตกปกอยู่แล้วการอาบน้ากับปฏิเสธบดายแม่นบังอันนี้ทานเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์แม่วาจาท้องฟังนี่การปฏิเสธเพือเ่อจะ ฮะ ถ, ถ้ามันมาเกิดมาแกมาแกมาตายก็พัฒนเสร็จได้แม่นมอขึ้นขับออกเขเเับออกแสดงแม่นนมอสบายดีนเนาะเพราะนักข้อเกิดเป็นทุกข์ว่ามันขําขีดเท็จเป็นว่ามันเป็นเรื่องน้อยแม่นอีนี้นเนาะข้อเกิดขึ้นมาแล้วพอออกจากท่องแม่มาแล้วเข้าไปนั่งจังไห้แล้ว เข้าไปยังจังหวยิ้มผู้เกิดมายิ้มนี่บอฮะว่าเกิดมาออกออกมาแลวยิ้มนี่บเพราะขลาดออกมาเลยหายแค่นั้นเสียงยุ่ยไพ่ในขำนันหายเข้าเสียงอย่นเสียง ถ้าพระเทะบอกว่าชาติเปรทุกข์ขาเแม้อันนี้ก็เป็นทุกข์ความเกิดเปันแปลว่าแม่เนียแปลเป็นไทยความเกิดเป็นทุกข์เลยชาติเปรตทุกข์ขาเความเกิดเป็นทุกข์เลยถือวัดผู้ใดมาฟังกระถือผู้ใดไม่ทราบกระถือวัดนกนูปูปีฟังมาเป็นกระถือวัดที่กระดักกระเดียนน่ยวม่นชาติเปรตทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดมากกวามมันจะเป็นทุกข์ มันขังเราในท่องแม่หเหมือนเลี่ยงหนีฝนออกมาถึางงมหนาสิปีนหนาเขาทั้งซันหลังแม่ออกมาแล้วก็ได้เลื่อมซาบเลืมพบเจ้าของไม่หายไม่ได้จะออกมาเลยเนะพนว่าอุปมาคือดึงสร้างดึงสร้างออกฟองแฉบแฉบซากออกแล้วจับยกออกมากคนเนื้งงอหนังอ่อนๆมาถึกของนอ เหมือนหมาเมุ่อยใช่ไหมมันกลับมันเก็บมันมันเลยหาช่ไหมชาติพิทุกขามันเสียน้ำผ่านสนามทุกมันก็ระไรหาผู้ใดเกิดมายิ้มปุ๊บมี่ไม่จะหามันทุกมันจะเกิดชาวบ้นทุกมันจะอยู่ได้ท้องไม่ใช่นั่นใช่ไหมเรามีชาติีพิทุขาแม่อันนี้ก็เป็นทุกชาลาพิทุขาก็เป็นทุกซักก่อนเถ่ามาลงโกงเกงลูกก็ะอ้อยนั่นก็ะอ้อยเป็นทุกมาละนำพ่ทุกขังความตายก็เป็นทุก โพรก็เขาไได้เทวทุกขโทมันั่นอุปาอยากสาบิปภัยความโศกก็เป็นทุกข์มันทุกข์มันทุกข์มันเลยกรรมเมือ่อไหร่ไมนกรรมเมื่อทุกข์ไ่ได้แหวมือปฏ้ตายจะค่อยแหว่เอาอยันไปเมื่อไหร่แม่ค น, นกัดกรรมเละหรือปิตายคำา้อนในไตโลกระทาถูอค้าม้อนพระเจ้าเื่อไหร่ข้ามช้อนพระเจ้าสอนครอบโลกแล้ว โลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรเป็นผู้เยี่ยมปุริสาธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกฝึกตนดีเหมือนนายสถิติพบว่าสัดเทวอนุษยานังเป็นผู้สอนของเทวดาในะมนุษย์ทยั้ายฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นจพืไม่เดือดร้อนในภายหลังพุทธเจ้าคำสอนใดๆในใจโลกธาเป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาหมดเฉลคิดจะมีเกียรตร่านก็เชี่อไปในทาง ทิดเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันไดคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็พูรู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็พูดเชื่อและไม่เชื่อเทียบในทางลึกถึงใครคํานึงได้ไร้ทางนํางพีน้องคองเมืองบางต่างๆไห้หนังสือหาษาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวทันใดคําสอนใดก็ไร้หนลงสู่คําสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก พระพุทเจ้ามาขี่นัล่างพระองค์ก็มาสอนคำเดียวกันมันได้รบเล่างคอรอโบกันเลยคนกรุงเทพมีบ้างไหมยกมือขึ้นคนกรุงเทพมีไหมไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, มคนภาค ก, กลางคนภาค ก, กลางมีไหมกิดที่ภาค ก, กลางมีไหมมีคั้สอนใหญ่ใหในไตโลกระถาเป็นเมืองขืนคั้สอนพระพุทศาสนาอ ม, มัส พระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนกับว่าถ้ำเป็นโลคกระบาลคุ้มคล้องโรคสองยางฮิริข้อมและไอต่อบาสอตาปะสะดุ้งกลัวก้าวบาสการถ้ำสองประการไม่แน่ปลกคล้องโรกโรคอยู่การถ้ำสองประการเนี่ยมันมันมีอะไรหัวใจแต่ละทัานแต่ละขั้นก็ปอกคล้องควาอยู่ก้อนไม้ก้นหมูก็อรพักก้พวกก็ตั้งมาอยู่ อู๋ขอทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทาคนช่วยในที่แจ้งมาได้ก็ไปทำในทีรับเลยเราเปเกนหน่อยค๋อข่าร่วงเราไมีควมระไอต่ำบาบผมไม่ควบกลัวต่บาบหรมันกลับไปร่วงส้นหาดิฮันอ้าทาบหรคอข้องเฮาขันมีเส้นหาบริบูรมึงรู้นักเทีู่เรียนสามาครูบอาจายเชีเร็ดิมนุษย์มาแตกําเนิดกาเนิดนะครับมันแล้วไปสะอมันมันมันจเป็นอะไรเมื่อาดั้มีเส้นหามึงไห ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีคดีดาคดีแดงในโรงงศาลต้มีขายขอก็ไม่ต้องเฝ้าเวรยามก็ไม่ต้องนอนก็ไม่สะุ้งหัวพระไม่มีเว่อยู่ยรอบข้างแม่นบอกปวดรออีกกัแมนอีกแม่นบอนี่ขันก็ไม่เสียนาประจําแล้วไม่ควมละอาต้าบาปไม่ควบปวดตาบาปเช่าโลกสิตังวาดไม้กตังคลา่านันก็บปอยูรนี่แม่นบอ เอาฮะน่ประเทศไทยเฮ้าชวนโลกกันยกไกว่มีประมาณ6กสิบล้านแมนกบหเป็นชวนมากกับซื้อสาธารณพุธนอกแปดิบเปอร์เนตรซืสาธารณพุทธแบงเปลยนเพราะไปซื้อสมเนูมิซะประมาณสัก4ี่แสนซะตลอดทั้งแม่ขาวแม่ที่กับที่แสนกูะอะซะตลอดทั้งพวกเขาก็ะนัน้น ก, ก็โผล่ไปเขาวมื่สิ่ก็มีเส้นสิอ้วก็มีเส้นแปดก็มเล่นก็มีเส้นสิบาก็มีเ้นสองรอ ย, ยี่สิบเก็ดในระว่างพะระตวดีในที่ตอวดีพระเ้นสองรอ ย, ยี่สิก็นั่นผู้ที่รักษาบาลเรบูทั้งสองรอ ย, ยี่สิเก็นั่นคนเราทำไมจึงอาบน้ำเพราะทางกายมันจกปรปกปฏิเสธไม่ได้ ทำไมจึงปฏิบัติส okay. ินธรรมพระจิตใจมันมีโรคมีโกรธมีหลงจริ่งกิ้งถ้ามีโรคมีโกรธมีหลงจริงๆก็ปฏิเสธการปฏิบัติสินธรรมไม่ได้ก็ปฏิเสธในการลดหย่อนโรคโกรธหลงลงหรือทําให้เหงื่อแห้งหายไปโดยวิธีใดโดยวิธีหนึ่งมิถานวัตสีวัตปานาวัตคิดเหตุมันมีจริ่งกิ้งถ้ากิเหตไม่มีการปฏิบัติสินธรรมก็ไม่ต้องมีถ้าความช็กกระป๋อในร่างกายมันมีการอาบหน้าก็ไม่มีก็ปฏิเสธอาบหน้ําไม่ได้เหมือนกัน ถ้าความเชื่อมีในคิตใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่การปฏิเสธทำความดีก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์อยู่ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเป็นทุกข์อยู่ไม่เอามาได้การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระ涅槃ไม่ให้เกิดแก่เก็บตายก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าเรารักลูกรักเมียของเราอยู่จะไม่ให้ผู้อื่นรักลูกรักเมียเขาเพราะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าเรารักสิ่งของของเราอยู่จะไม่ให้ผู้อื่นรักสิ่งของของเขาก็ปฏิเสธไม่ได้มันเหตุนั้นจึงมีอาเนาเครื่องห้ามรักสิ่งของเหตุนั้นจึงมีตาเมสุเมจยาจาไม่ให้ล่วงละเมิดจิตใจท่านผู้อื่นนะเรารักชีวิตเราอย่างไงเขาก็รักชีวิตเขาอย่างนั้นเหตุนั้นปรนานาทิบาตการฆ่าคันแกลงกันจึงมีการห้ามไว้นะเราคนเดียวเป็นโลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้นะ เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวเป็นภาคไม่ได้เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอไม่ได้เราคนเดียวเป็นตำบลไม่ได้เราคนเดียวเป็นหมู่บ้านไม่ได้เราคนเดียวก็เป็นครอบครัวไม่ได้เหมือนกันต้องอาศัยซึงกันและกันนั่นเราคนเดียวก็เป็นวัดไม่ได้เหมือนกันถูกไหมนั่นเราคนเดียวเ็เป็นโลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้อีก เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวเป็นภาคไม่ได้เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอไม่ได้เราคนเดียวเป็นตำบลไม่ได้เราคนเดียวเป็นหมู่บ้านไม่ได้เราคนเดียวเป็นครอบครัวไม่ได้เราโรงเรียนคนเดียวก็เป็นโรงเรียนไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เหมือนกันเป็นกรมทหารไม่ได้เหมือนกันเป็นกรมตำรวจไม่ได้เหมือนกันเราคนเดียวก็เป็นวัดไม่ได้เหมือนกันนั่นเห็นนั่น จึงอาศัยเช่งกันด้วยกันในโลกนะี้แล้วไปเรียนแต่วิชาอย่างเรียนกันมันก็ไม่ถูกถูกไห ม, มคำสอนของพุทธศาสนาให้รถตําแหน่งกิเลตนะไม่มีใครรถเลยมีแต่เอาเสีปากมาพูดกันกิเลตไม่รถตําแหน่งมีน้ำต้มผู้พาตั้งกฎหมายกล็ลวงกฎหมายอีกด้วยใช่ไหมนั้นะเป็นเองตั้งมาลวงคนโง่ใช่ไหมอืม ถูร้อยเปซถูร้อยเปซผู้ใหญ่ใอยากเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวจนเลยเถิดมันก็ไม่ถูกเห็นแก่ตัวจนเลยเถิดถูกมาป่าครับลูกแกะ เ, เ, ธ เ, ธ เ, ธเธอไม่ได้ด่าค่ะเมื่ อ, อ, อเธ อ, อเธอเธ อ, อไม่ได้ด่าค่ะเมื่ อ, อปีตายพ่อพ่อของก็เออก็แกไม่ได้ด่าค่ะพ่อของแกปีตายไม่กลนาวข้าเออเมื่อปีตายข้าพรเจ้าอย่างไม่ได้เกิดมาเห็นเดือนเห็นตะวันเลยมาเราก็แต่พุกลูกแกะจนเป็นอานารนี่การเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มิใช่ผานะ ย่หาทานผู้ที่มมีความศิษให้จงได้รู้ไหมไม่เอาเราไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ทานน้อยให้ขาให้กายทําบุญน้อยเขาให้กายปฏิบัติน้อยเขาให้กายปฏิบัติหลายเขาให้เล่นอย่ามาเกิดแก่เก็บใจในโลกนี้อีกเลยเบื่อมากเบื่อมากเมื่อเขาเชื่อบาปเชื่อบุญเขาก็เลือก คิดเองถ้าเขาไม่เชื่อว่าเชื่อบุญร้อยเปอร์เซนมันก็มันก็ไม่ไม่คงหาทำเอาไปเรื่อยถ้าเชื่อว่าผลของกรรมที่ทำดีไม่ดีมีอยู่มันลดตำแหน่งมันเองมันไม่เชื่อกรรมแล้วผลของกรรมมันก็จนใจเมืม่อนามื่อไปสว่างมาโทคที่ปลาญวน <laughs> ค ร, ร ม, มุนาวัตติโลโก้สัตโลกเป็นไปตามครรมยุกใจทรมินยุกใจธมินคำสอนพระพุทธศาสน า, ามันเป็นดิ่งแล้วมันเป็นระดับน้าแล้วมันเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงแล้วถ้ามันมีพระพุทธศาสน า, าแทรกแซงอยู่ในโลกมันจะไปกันใหญ่ถูกนะคุณปู่คุณย่าคนตาคุยาย นี่ยพระมาแล้วนีพระมาแล้วสวกรัฐบาลปกครองโลกมีสินห้าพอสามคนไหมพวกผู้แทนมีสินห้าพอสามคนไหมนั่นและจะให้ความสุขมาจากประตูดใดละ่ะนั่น พ, พูดนัพูดนอกไปพออธิบายพูดไรเดีย ว, ว่าเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เอาเมชิ้หกมาใส่ถูกไหมทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความรายต า, าบับความกลัวาตาบบเท่านั้นจะควมคองลงได้ไม่ใช่เอ็มจีหกเอ็มทัพย์จสองลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรนามาโน่ปกครองโลกพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่มายืนยันอย่างนั้นนั่นเอา้าชาวโลกมีเส้นท่าบริบูรณ์ตำรวจก็ไม่ต้องมีตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้ารเรือนจําก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในสารก็ไม่มี นั่นพระพุทธเจ้าตึงมาในโลกหนึ่งๆใครจะห้าปรามก็ไม่ได้พอสร้างบารมีเต็มตื้นมาแล้วใครจะจีดขวางไว้ก็ไม่ได้โผล่ออกมาเลยอย่างผุญฝายมาเทศถึงจะมาแต่ในยุคละยุคได้เท่าเขาโคก็าตามก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาตกนรกอยู่มาแต่ละยุคละยุค ก, ก็ได้เท่าเขาโคส่วนค้นโคไปในหมดก็ทิ้งไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าใช่ไหม อย่างนั้นท่าน ก, ก็ยังอุตส่าห์สร้างบารมีมารื้อเอาอยู่เราพ่อเห็นเป็นอย่างนี้คํวาว่าโลกพระบรมสารีรามาให้คะแนนขวบขี ต, ตีติแร่ผู้ย่อยยับไปถึงสอนพระเธออยากยินดีในโลกทั้งปวนะงเนอะบรมศารีรามถ้าพอเลยเอพิรุธะสัญญาอนิสักะสัญญาก็ดีเธออยากยินดีในโลกทั้งปวงเธออยากยินดีในสังขารทั้งปวงถ้าพระสังฆาเลสสก็เหมือนกันผู้ใด ย, ยินดีในโลกทั้งปวง เพรนั้นยินดีในหลุมฐานเพลิงะพระบรมศารีราเพราะถ้ออกจากโลกอีกซะด้วยถ้าพระบรมศาสีาไม่รื้อคนออกจากโลกเข้าสู่พระญพานโลกนี่มันยังจะยัดเยียดเวนไทยกันอยู่มากกว่านี้นะครับผู้ที่ไปพญพาลก็ไปผู้ไปพรหมโลกก็ไปผู้ไปสวรรค์ก็ต้องไปผู้ไปนรกก็มีผู้ไปเป็นสัตว์กิเลสสานก็มีมีแยกทาง ถ้าไม่อย่างนั้นอะไระมันจะยัดเยียดกันเวียนสนองเวียนไฟสนองไฟอยู่ในโลกไม่มีพระนิพพานเลยนี่มีนี่มีพระนิพพานออกไปอยู่เด็ดนั้นมันจึงไม่ยัดเยียดกันมากพระทหารทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ธีเมทายในเท่ามาหาสมุทรสีมาหาสมุทรมันยังอยู่เหลืออยู่อีกกตั้งร้อยโกดมหาสมุทรใช่ไหมนั่นมันได้รอบด้างพ ร, บ, รบเลยพระสมมาธรรมปุตตะเจ้า มาเป็นยุคยุคยุคยุคยุคยุมเทศศาสนาอันเดียวกันทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเหมือนกันเพราะละอายต่ำบาความกลัวต่ว่าเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้ถ้าไม่มีอย่างอายต่ำบาไม่มีความกลัวต่ว่ามันก็ไปร่วงละเมิดเขี้ห่านั่นมันก็ไปร่วงอบาอบายมุกรบายมุกทุกประเภทเป็นทางมนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติพรวิบัติเนปาลวิบัติพระุทธเจองค์ให น, น, นก็มาสอนอย่างนั้นสอนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพรสมบัติสอนเนพานสมบั มีพมระธรรมเทศนาพระองค์เดียวไม่ผิดเลยใครก็พระองค์ไหนๆก็มาสอนถูกกันหมดไม่ได้รับล่างพลรบกันเลยอันนี้พวกชาวโลกยักษ์สี่ปีตั้งกฎหมายสี่ปีตั้งกฎหมายกูดึงไปมึงดึงมามึงดึงไปกัมนำด่าบไล่กูกัมบ้างเดิงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นถูกไหมพูดน้อยพออธิบายพูดหลายโมโหเพราะเรามีกิเลสอยู่เห็นท่นการเมืองเรื่องกิเลส การเมืองเรื่องเลขมันก็มีอยู่การเมืองเรื่องกิเลสการเมืองเรื่องเปรตก็ถูกบางทีพระบรมศาสดาก็บอกว่าที่พวกคนเขามกอยู่แต่ผูรู้หักคล้องอยู่ไม่ผู้ใดจกระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากกบวงแห่งมารพระบรมศ า, าสดาสูสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้คำว่าสู พูดแบบคนกันเองแบบลูกหลานบางทีก็พูดท่านทั้งหลายบางทีก็เธอทั้งหลายบางทีก็สูทั้งหลายคำว่าใช่ก็คำสูทั้งหลายพูดแบบคุณปู่กับหลานชา <c oughs> <c oughs> วบ้านธรรมดาพระบรมศ า, าลาพูดหลยอยา่างพูดยังไงท่านก็ไม่มีพิษเพราะท่านไม่มีกิเลสหนึ่งเราแต่งเพื่อนไม่ได้ก็มีหน้าที่จะเบื่อหน่ายโรคออกหนีเท่านั้น ที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่คัดข้องเนาะและ้วกนี้เท่านั้นที่พระบรมศาล า, ศ า, ศาพระยักษ์สกุลนบุตรออกบวชบนเพอไปเห็นนางสนมกรมมาวังนอนพลอยกายอยู่เหมือนปา่าท่าออกบวชเหมือนพระพรมศาล า, ศาพระยัพระยกษ์ุลบุตรบางนางก็นอนเปิดเปลืองมาขยายผมเทละไหลออก ที่นี่บนวายเนอที่นี่คัดข้องเนอตอนสว่างเดินไปบริกรรมไปบริกรรมไปจิตของท่านก็เบื่อนายในอนสุภะแล้วจิตใจของท่านชะลอยจะใกล้พระอนาคามีไปแล้วที่นี่บนวายเนอที่นี่คัดข้องหนอบริกรรมฟ้าบริกรรมไ ป, ก, รรมไปก็พาไปถึงใกล้ซุ้มประตูของพระบรมสาร า, ศาจวนจะสว่างพระบรมสาร า, ศาเดินโยกลมอยู่แต่ศัตรูมาใหม่ๆแล้ว ที่นี่ไม่ไวุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้องท่านมานี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่าน ท, ที่นี่ไม่ไวุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้องคืออะไรที่ใจของท่านไม่มีวุ่นวายไม่คัดข้องเพราะไม่มีกิเลสนั่งลงแรกก่อนแสดงอนุภูมิภิเถาและ่ยอริยสัจสี่มีธานคถาสีและคถาเนึ่กรรมคถาแล้วก็เห็นอริยสัจสีให้ฟังแล้วก็สาเร็จพารันนะเพรดอกบัวมันบานแล้วมันเป็นตูมแล้วมันจะบาน เขสร้างปณิมิติแก่ก้ามาเนี่ยแต่ชาติก่อนท่านเป็นทรัปย์เรือไปเห็นศพเหมือนโคด่าท่านก็เอานิมิตอันนั้นมาพิจารณาเห็นอันั้นวิธีท่านออกบวชจึงเห็นประตูกูเห็นปฏะตูลที่เขาเปลือยกายอยู่น่ะเปลือยโยนีเปลือยอตูดอยู่นะ่ะเสียละไหลออกอยู่นะั่นเหมือนผีป่าชาเหมือนผีดิบเพผีดิบในรัช ก, การเขาไม่ค่อยจะเผาเขาทิ้งลงเหวก็มี ก็ทิ้งฝ่ายฆาก็มีแต่ไม่ค่อยจะเผาเหมือนพ ว, วกเรากับบางเพราะเรามันเผากันหมดมีธรรมันเดียวที่ออกจากโลกมีพระมีศาสนาพุธทธนั้นศาสนาอื่นๆนักที่อื่นๆแต่ามาโอหังมวังคารโร ล, ลสุภาาัทะผู้บวชต่อแก่ในวันที่พระบร ม, มาศาสดาจะเข้าสู่พระพานั่นเองสุภัทะ ท่านก็บวชในวันนั้นในเมืองกุชินาราสารวัณทยานทีป่าไม้สาระทิศทางที่ตอนออกเมืองกุชินาราที่พระบรมศาสรากําลังทรงพระประชวรอยู่ในคืนนั่นแล้วก็บวชในวันนั่นอ่ะบวชไอ้หีบพระครูพระสมทานแล้วเด็ดพระหลังในวันนั้นแล้วก็การาบทูลพระบรมศาตราว่าธรรมนัทั้งสี่มีในาศาสนอื่นหรือไม่พระเจ้าค่ะ แย่เลยย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเหตนั้นเราจึงเคารพธรรมธรรมะทั้งสี่มีในศาสนาพุทธนั้นคือพระสวัสดีพระเจ้าสวัสดาพระเจ้าผลสัพพทาภามัชฐานาภามัชฐนาภามัชฐานาภามัชฐานาภามัชฐานาผลพระสวสดาวันสัพทาคาหมีอนาคาหมีอารามมีพูดออกจากผลพูดออกมากับสวดีพระมากด้วยสสดีประเจผลเข้ามาจากพเจมาก็ไม่ต้องพูด ก็ดาวไปชนสักคาไปชนนาไปชนอ น, นอัคตไผลมีในศาสนาพุทธนั้นศาสนาอื่นไม่มีเขาจะมีมาจากประตูใดตัวหัวหน้าของเข า, เขาก็าพุทธชนคนหนาเราดีๆนี่เองอเขาหนักไปในทางวัตถุนียเองาญะสามีจิตมาจากประตูใดล่ะไม่มีเลยแล้วพูดํามเนจริงไม่ได้พูดเพราะข้างตัวเลย<อ>มันข้อสมเหตุสมผลภาษาดีบุตรมกขลามาจากไหน เขาแค่นเอกเนี่ยก็มาจากสวนชัยนาทตบุตรใช่ไหมนั่นสวนชัยนาทตบุตรมีบวรวานห้น า, าร้อยโมกคณาสาดีบุตรในสมัยนั้นเป็นผู้มีปัญญามากอยู่ในสวนชัยนาทตบุตรพอพระสาดีบุตรมาเห็นพระอัสสกิแล้วก็เลื่อมใสพระอาาัสสกิแค่นี้เขาเลื่อมใสศาสานาพุทธอยู่ในตัวเสี้ยวพันวันนะของท่านของใส เดี๋ยวนี้ใครเป็นศาสตราของท่านท่านสอนทำอะไรแก่ท่านจงเทศให้กับผมฟังฟังบ้างเออเดี๋ยวนี้เราก็กำลังบินถาอยู่ออกไปนอกสักคู่หน่อยกระผมก็แม่ต้องอัตมาภาพก็เป็นทุกชู่ใหม่ยอยู่ยังไม่สามารถจะแสะดงทำให้ท่านฟังเข้าใจนะ เป็นพระอหารแล้วยังว่าเป็นพระพิกดูใหม่ทำไมจึงพูด่อมจนอย่างนั้นก็เพราะเขาลือชาปรากฏว่าพระสารีบุตรอยู่ในสนใจรนาฏบุตรเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วเหตุ น, นั้นจึงชอบพูดผอมจนกระผมก็ไม่ต้องการยาวดอกครับสั้นๆพอแล้วทำอมไรเกิดแต่เหตุทำนั่นก็ดับแต่เหตุยังกินทีส ม, มุติทยธรรมังถ้าพันตรังในโลธงถามันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมดาครับพอแล้วถึงพระโสดาบันแล้วทีนี่จะมาหาเพื่อนเพราะในนัดกันที่นี่ท่านใครเป็นศาสตาของท่านเขาบอกเราว่าศาสตาเป็นศาสดาของอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เออถ้าอย่างนั้นก็นึกถึงเพื่อนก็ได้สัญญากับเพื่อนไหวกับาระโมฆะลาถ้าเรา ใครได้ทำก่อนก็จงเทศให้กันฟังพวกเราแล้วไปที่รับกันแนีน่ยักันไว้แล้วแต่นานแล้วตอนหนึ่งไปดูมหาธาตุศพไม่ไล่าเรืมงโนคนราสาธีบุทอยู่ในสวนชายนาฏบุตรแต่ก่อนทุกวันพอถึงบทที่โศกก็โศกบทที่เพลินก็เพลินวันนี้ ทำไมเพื่อนไม่เพ่อนเราเราก็ไม่เพ่ินเหมือนกันเออเรานึกอย่างนี้เพื่อนคนอยู่ในนี้คงจะตายกันหมดเราจะมาเออกระดูเกเฮาทำไมเพื่อนนึกยังไงเออเราก็นึกอย่างนี้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างไปพวกเราถ้าใครได้ทำอันพอสมควรเหมาะสมแล้วก็จงบอกกันเนอร์ออกไปคนละทิศละทางน้ารีบุตรก็ไปเจอ อาทชิดังล่าวแล้วนั่นเองพอเจอแล้วได้พระโสดาบันแล้วก็กลับมาบอกเพื่อนเออหน้าตาของสนักวันนี้มาจากไหนเชนลอยจะได้ทําพิเศษบ้างเล็กน้อยกรมังมาเล่าให้กันฟังดูดู <c oughs> <c oughs> เพื่อนของท่านได้เข้ามาเล่าให้ฟังเรื่องอนิจจงเออเข้าใจแล้วเราเวลาสนใจนักตะบททุตเถิดเข้าใจได้สําเร็จพระสวัสดาบาลเหมือนกัน ฟังต่อเราต่อ น, นั่นไปขอเปลาวาสนใยนาตบุตรสนใยนาตบุตรก็พูดขับว่าเออคนฉลาดจงไปหาพระโคดมะ๊ะคนโง่เข้ามาหาเราเติด <laughs> พอพอสาธุบุตรและโมบขลาออกไปแล้วครับเงียบเงาเลยเสนาสนะของท่านออมีบริวาร5้ารอยเงียบเงามือหมดเลย อพอไปถึงพ ร, เราเรามาสาราพ ร, ะร า, ษ า, ษาพระบรมาาสาราก็อุปสมบทให้เอเมนทุกครูพรสัมมาทาพระสาดีบุตรบวชมาพระโอคคาราบวชมาเก็บวันก็สําเร็จผลพระสาดีบุตรตื่นเดือนทําไมพระสาดีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากมมาทาไมจึงถึงตื่นเดือนพระโอคคราทําไมจึงสําเร็จง่าย กพระธรรมดาคนมีปัญญามากจะไปไหนก็ต้องเตรียมมากมีบริษัทบริวารมากคิดไม่ค่อยสงบคนมีปัญญามากคิดไม่ค่อยสงบไม่สงบงา่ายเนี่ยรออกกาสนใจนาสมุทรมาเนี่ยจึงมาปฏิบัติพพุทธศ า, นะาสนาจึงมาซ้ำเหล็จพระหรหันสอแสดงให้เห็นว่าก็เพราะเรื่องใสเพราะมาเห็นภาษาในบุท ก็เลื่อมไสพามาเห็นพอัจฉริย์ก็เลื่อมไสแล้วแล้วก็เลื่อมไสภาษาในบทอีกพระพุทาสนาขอเรียกว่าเลื่อมไสพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วจึงสําเร็จพระโสดาบันทั้งสองค น, น ส, ส่อแสดงให้เห็นอยู่แล้วออกจากศาสนะอื่นมาที่ออกจากรัฐเถื่นมาบวชกับพระบรมศาสดามีมากเหมือนกัน <c oughs> คนหนึ่งพวกจับพวกหนึ่งมาหาพระบรมศาสดาเออ ทรามเนียมที่อยู่ในรัฐที่อื่นจะมาหาเราจะท้าควดต้องอยู่ทิฏฐิว่าดสี่เดือนเช่นก่อนจึงจะบวชให้เพราะจะทรมารยศอันลา่าเส่นก่อนอยู่สี่เดือนเช่นก่อนเราจึงจะบวชให้ก็ไม่ว่าแต่นะสีเดือนนะเซเป้เขาจะเอาครับเออถ้าอย่างนั้นก็ บ, บวชวันนี้ซะก็เลยบวชที่นี่นั่นเป็นอย่างนั้นรัฐที่อื่นไม่ถึงไม่ถึงพระสวาวัน ที่นี่มีคำถามว่าอาราลาดาทอุสตาดาบทตรรามาบุตรนั้นก็ได้เคยสั่งสอนพระปรมศาสลานั้นต่อนให้พอวนาจนถึงเนรสัญญานาสัญญาจสระก็น่าจะถึงพระโสดาบันทำไมถึงไม่ถึงก็เพราะยังไม่แสดงตนถึงไตสนาคมเพราะยังคือคิดมานะรักทิหนึ่งอยู่ไม่ยอมถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นชณะ ๋ยวพอพระบรมศาษลาตัดงรูปแล้วก็วนึกว่าจะมาเทศเอาพวกท่านก่อนเพราะเคยได้ปฏิบัติขบพระท่านมาเออแล้วเสียดายหนอตายไปแล้วเก็บวันด้วยอันนี้สงอันนั่นกับไปเกิดในรูปอรูปประภมมีอันนี้สง์แปดหมื่นสี่พันกับท่านตายพาภาวนาะตายพาภาวนาะเป็นผู้มี ความจำก็ไม่ใช่เป็นผ may e cool ู pues. ้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่วรีกรรมทีนี่ในคำวารีเขบอกว่าเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในคำวารีแต่ว่าแปลเป็นคําไทยเพื่อให้เข้าใจง่ายกว่าเป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่วรีกรรมอยู่ไม่มีตางวันกลางคืนก็เลยตายขานั้นก็ไปเกิดอรุปรพรมค่อนจากอรุปรกรรมฐานไปแล้วจึงไป เป็นอรุ ป, ปรพ ม, ไ ม, ม์ไม่พม์ใช่ไหมไม่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่นามธรมรมสี่มีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่มีมีอันนี้สองแปดหมืนสี่พันกับโอ้ใช่ไดโโ้หนอแปดหมืน่นสีพ่พันกับมันก็สีห้าพระองค์ก็เป็นกับหนก็มีสามพระ อ, องค์กับหนึ่งก็มีคิดเสียแต่แปดหมื่นสี่พันกับยังมี พ, พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ คิดเฉลี่ยเอาสไปหารเอาสามปหารดูสิเพรากรับออเอาสี่ไปคูณเอาสไปคูนไปคูณดูสิบางทีก็มีสี่พระองค์บาทีก็มีสามพระองค์บางทีก็มีห้า พ, ออพระองค์พัสดกับของเราเนี่มีห้าพระองค์กับเนี่ยเอาสี่ไปคูนสักหรือเอาสามไปคูณก็แล้วไปแบบหนึ่งสี่พันกรับเอาสามไปคูนดูรู้จะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์นั่น <c oughs> ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นโลกี้อยู่ยังได้มาเกิดเป็นสัติราฉานอยู่เหัือนกันเพราะยังไม่ถึงอุทธวันคำสอนพุทธศาสตนาตรงนั้นลึกซึ้งมากทีนี้ยกประทานหวัวไมาได้พูดเหยดยามพูดทำเป็นจริงเมื่อได้พูดดูถูกดูเหมิ่นพูดทำเป็นจริงศาสนาอื่นมิดามานาของพระเยซูช่ อ, อยยังไงผู้ทวดญาติทวดชื่อยยังไงเขาบางท่ายบางของชื่อยยังไงท่านได้สร้าง บานมีมางขี่ชาติขี่พบจึงได้เป็นพระเยซูก็ไม่มีเสียอลยถ้าคนเป็นนางม้าเทียหรืออะไรถ้าเกิดข้อนางม้าเทียมิดาของพระเยซูม้าโลเรว่าอย่างนั้นหรือของพระเยซูใช่ปะเยเชเยแชโยโซเรีว่าอย่างนั้นหรือก็ไม่มีทํานานอะไรพระอะไรเขาพระผู้เป็นเจ้าปั้นสร้างขึ้นอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเถียงกันเถียงกันอยู่ที่อำเภออาหารเกลือข้ากันเขาเถียงกัน อะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เนเจ้าพิบ่าวอะไรสร้างงูมาให้กัดคนพระผู้เป็นเจ้าพิบ้าอะไรสร้างเสือมาให้กัดคนพระผู้เป็นเจ้าพิบ้าอะไรสร้างโรกพระญาติปากขอมาให้เบียดเบียนคนพระพู้เป็นเจ้าเป็นพี่บ้าหรือสร้างไม้กลางเขนใส่ตัวโกรธที่นี่แ้วโกรธจะฆ่ากันตายที่นี่เราก็เคยเถียงเขามันกัน เราเป็นฆราวาสอยู่เราไปทํากองเราไปทํางานกองเช่างไม้ในในทางรถไฟปีหนึ่งเอาเข้าขึ้นยุ่งขึ้นฉางแล้วเราก็ไปทําเราเป็นคนชาวนาตอนทํานาก็มาทําแล้วก็เข้าของเช่างไม้อยู่สามปีเวลาทํามาก็ให้เขาไปแทนงานไว้เวลารับเงินก็ไปไปรับให้ขอไม่ไม่เขาคัดชื่อเราออกและจ้างนายกุลีไว้ สรคอพูดเป็นสารวัตรขวดแกเป็นคนสารวัตรขวดอยู่ในจังหวัดอุรุณที่นี่แกเป็นคนถือถือพระเยซูอย่างนี้ไม่ถือศาสนาพุทธแงเขาพูดคนเราตายขาหักแล้วก็ไม่อยากตายตาบอดแล้วก็ไม่อยากตายแตรักชีวิตของตนดังนั้นท่านพูดถูกแต่ว่าเราแสวงหัวใจ อ, อันคุณอันท่านทําไมจึงบอกว่าข่าศัตร์ไปสวรรค์เนี่ยเราเถียงรู้ที่ดียวเขาไมารักชีสเขาหรือทำไมท่านจึงยินดีว่าข่าศัดไปสวรรค์เราก็เถียงอยู่ในใจใทีนี่อยขาหักแล้วก็ไม่อยากตายตาบอดแล้วก็ไม่อยากตายแล้วว่าคุณทําไมจึงข่าศัตไปสวรรค์ผมจะฆ่าคุณเยี่ยนไปสวรรค์จะเอาไหมเราก็บ่นในใจทีเพราะเราทีศาสนาพุทธ นึกไหมถ้าคนชี้สนเหมือนกันแต่ว่าเราไม่กล้าพูดออกปากถ้าพูดออกปากเขาก็ต้องไล่เราออกงานแต่พูดอยู่ในใจเราไม่ลงอ้าวชิ้นห้าอันนี้สงของชิ้นห้าข้าวเว้นแล้วอันนี้สงของปนานเจ็บบาดเกิดมาในภพใดชาติใดก็มีอายุอยู่และมีผิวพรรณวันนะสวยงามด้วยและเป็นผู้มีโรคน้อยด้วย แล้มีอายุยืนด้วยแต่เรามีอายุยืนแต่ว่าเบียดเบียนศัพท์บางท่านมีอายุยืนด้วยมีแต่โรคชราด้วยหลวงปู่เทศมีแต่โรคชราเราอายุแปดปีกว่าเนี้ยเราเคยเบียดเบียนศัพท์เคยเครียดเคยตีเคยอะไรเอาโคใส่ใเกวียนเนี้ยเคยขี้งันเนี้ยเอาควายใส่ไถแล้วก็เขี้งันมันไม่ไปเห็นนั่นเราจะมีโรคมากหลวงปู่เทศ ไม่ได้มีโรคมากมีแต่โรคต า, อ า, อ, าอายุเก้าสิบแล้วน้อ ง, อ ง, 8, 14, 8, 14องปุถีเก้าสิบสองแล้วฮะเพราะอายุเก่แล้วน้องปุถีแต่ต้องแปดสิบสี่แปดสิบสี่ยากน้องปุถีมันเก้าสิบสองเก้าสิบสามแล้วที่พูดกันยาวๆ เ, เพื่อให้เรื่อมใสในบางต้นแต่เพื่อเรื่อมใสเป็นรักแรงแล้วเห็นไัยในวัาสงสารอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องลําลากอะไรมาก พิจารณาไปรักเท่านั้นความกำลมหายใจเขาออกเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักวานเห็นอันนี้จังคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลครอบหนึ่งแล้วเพราโลกเตไปด้วยอันนิจจังเห็นทุกคณะจิดหนึ่งก็เห็นโลกครอบหนึ่งแล้วเพราโลกเต็มไปด้วยควมฟุ้งกับปร า, านดๆเป็นเมืองขึ้นของอานิจจังทุกขังอรตาทั้งนั้นพราะทศวิชาทุติวิชานิติวิชาเจตุทะคานว่าตาง เมื่อเข้าไปหมดอายุแล้วผัถอนออกมามันกําลังและผัสพอนออกมานั่นคืออนิจจังอนละเอียดบุญขนาดนี้แล้วไปยังเป็นอนิจจังอนละเอียดเลยปุญญาพิสังขารพิสังขารคือบุญขนาดนี้อเนจรธรรมพิสังขารแปะว่าพมือตั้งมั่นอยู่ในประสงค์อเนจรทุติยารรมทัศนิธิธรรมแต่กุศลฌ า, าถึงหมดกำลังและผัสพอนออกมาเหมือนกันตลอดถึงในโรกธรรมะแบบก็ อ, อยู่ใต้อํานาจอนิจจังเหมือนกัน นั่นผู้ที่จะเมื่อนายในวัดทังสาลจึงเดินทางลัดเลยผู้ปฏิบัติมาเนี่ยเคยเจอนืมิตตั้งหลายมาแล้วเนิ้มิตที่เป็นรูปนืมิตที่เป็นนามเจอมาแล้วนิ้มิตที่เป็นนามก็คือปีติเอเกิดขึ้นสุกเกิดขึ้นเกิดปีติเย็นเข้าในกระดูกรู้สึกเบากายเบาใจเขาเรียกว่าปีติมันกำลังถอนออกมาเหมือนกันเห็นนิมิตต่างแสงเดือนแสงดาว เดินบริบนในอากาศก็เหมือนกันมดกําลังกระถอนออกมาเหมือนกันถึงเหล่านี่เราได้เจอได้เกจอมาสองพันส่ร้อยแปดิบปดถึงแล้วนี่มดกําลังกระถอนออกมาแล้วนี้เราพิจารณาอย่างนั้นเราพิจารณาไตรลักษณ์เลยทุกวั น, นพิจารณาอ น, นิจจังทุ ก, ก, กขังอนัตตาควบกันในปัจจุบันอนดีตคืออะไรคืออ น, นิจจังที่ร่องไปแลว้วคือตรลักษณ์ที่ร่องไปแลว้วอนาคตคืออะไร คือใจ ร, รักยังไม่มาถึงปัจจุบันคือใจ ร, รักที่กําลังเป็นอยู่เราเลื่นขึ้นก็ล่วงไปแล้วเราพูดออกมาก็ล่วงไปแล้วเราฟังเสียงก็หูตกลงถึงใจก็ล่วงไปหลอกไปล่องไปนี่คืออ น, นิจจังในปัจจุบันอันะอแรกเมื่ออนิจจังมาอยู่ในที่ใดทุกข์ก็สัมปยุตอยู่ในที่นั้นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนก็สัมปยุตอยู่ในที่นั้นไม่ใช่ว่าอนิจจังก็ก็ <_ z> อยู่ในเป้านี่ทุกขังก็อยู่ในเป้านี่อ น, นัตตาก็อยู่ในเป้านี้ไม่เป็นอย่างไรอยู่อันเดียวกัน เหมือนเราเคยเห็นหน้าก็เคยเห็นตากันแต่เราพูดอักษรนอรว่าเห็นหน้าแต่อันที่แท้ก็อันที่แท้ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเหมือนเราจับหนังแล้วก็บอกว่าจับหนังอันที่แท้ก็จับเนื้อจับกระดูกเหมือนกันเพราะมันอยู่ที่แห่งเดียวกันทันเองก็นี่เมื่อเราเห็นอนิจจังก็เห็นทุกอยู่ในตัวเห็นอนัตตาอยู่ในตัวในในโลกเลื่อนอนิจจังและในโลเลื่อนทุกขังในในโลกเลื่อนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย ก็าฐานแต่ละอย่างละอย่างเป็นเมืองขึ้นของไตรักมบบเดียวก็ขึ้นได้ประดับไปนั่นเขาเรียวาการกระด า, าษสอนให้ ย, ยึดมั่นเชื่อมั่นคุณธรรมสูงรูปอดีตตามเป็นจริงของอดีตรูปอานาคตตามเป็นจริงของอานาคตรูปปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ไม่ให้ติดอยู่ในเงินทั้งสามอาดีตคืออะไรคําธรรมสูงที่ทดเอา้าคือผู้รู้ที่ล่วงไปนี้ว อนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เกิดจับอยู่รับไหวไม่ได้ผู้รู้นี้ละเอียดกว่าวิญญาณขันถึงอย่างนั้นพระบรมศาสตราก็มายึดต้อนถือวันที่พระบรมศาสตร์ที่ชาวโลกโผล่กันอยู่ว่ามีพระหันขึ้นในโลกพระนั้นองค์พรานีองค์เป็นแค่ เ, เป็นบุคราทิฏฐานเพื่อให้รู้จักความหมาย อ้ทีแท้พระหทหารผีว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกจิตใจของท่านเหนือโลกไปแล้วเนี่ยก็พูดเป็นบุคราธิษฐานเพื่อให้รู้จักความหมายกาาันต่างหาเช่นพระบมศาสนาเสวยุมุติสุขหรอัชาบาลแล้วนีโ่โคตราชาจัตนะหรือไม่เกรแห่งและเจ็ดวันเจ็ดวันเป็นสี่สิเก้าวันสวยมุติสุกวพวกเราพูดกันก็พูดเพื่อให้รู้จักความหมายไอ้ที่แท้พระบรมศาสตรา ส, สำกันตัวว่าเสวยอะไรใครก็ไม่รู้ได้ พระเป็นพุทธวิเศยใช่ไหมนั่งยกอุทธรณ์แต่เพียงเข้านิโรธสมาบัติมันยังหยาบกว่าที่สวยที่สำคัญว่าสวยมุทิสุขนั่นเองเพราะนิโรธสมาบัติมันถอนออกมาเป็นมันอยู่ใต้อำนาจนนิจังเมื่นกำลังก็ถอนออกมาฟ้ามีของนาธรรมทินนาจิตรักขึ้นทั้งหดี ได้สำเร็จพระอนาคามีภรรยาสําเร็จพระรหัสเข้าในิโรธสมาบัติแต่ฐานในปฏิสัมภิทาศียภรรยาแก่ภรรยาท่านแล้วไปถามไปถามภรรยาคุณแม่คุณแม่ในเวลาที่อยู่ในนิโรธสมาบัตินั้นอยู่ด้วยวิธีไหนไม่สําคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติไม่ได้สําคัญตัวว่าอยู่นอกนิโรธสมาบัติ ไม่ได้สําคัญตัวในที่ใดๆเลยเวลาออกมาก็คอยออกมาหาจิตตสังขารแล้วก็ออกมาหาเมากีสังขารแล้วก็ออกมาหากายะสังขารก็มาเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วปักกดิบไปมาได้ไม่สำคําตัวในเวลาที่อยู่ในนั้นไม่ได้สำคําตัวว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติหรือนอกนิโรธสมาบัติใดๆเลยหรือกิริยาใดๆเลยไม่สําคัญตัวเพราะไม่มี สัญญาและเวทนาเนี้ยไม่สวยเวทนาใดๆเล ย, เล ย, เลยไม่สวยสัญญาความจำใดๆเล ย, เลยแต่เวลาออกมาก็อธิษฐานว่าออกจากเมื่อีออกจากกิดัสังขารก็ามาเมื่อีสังขารก็ามากายยสังขารก็มาเห็นลมหาใจเขาออกสักสักสักสักสักสักสักนนสักสกสักสักสักสักสักสักสักสักสักกสัหสักนกันถ้กรรสักสรกกสสักสดกสักสัสักสักสักสักสักสั ตำแชั่งสูงของหลวงปู่มั่นเเวลาปีนั่นท่านอาจารยท่านทองคํพระอาจารย์ทองคํากับท่านมหาเสยงย์ไปแสงมุตโตไทยขอของหลวงปู่มัน่นแล้วอธิบายเข้าข้างตังมุตโตไทยเดี๋ยวนี้หลวงปู่มหาแก่หมดแล้วหลวงปู่มหาบัวแก้หมดแล้วเดี๋ยวนี้มุตโตไทยเล่มแรก ในในขณะนั้นกําลังโชคโทนจับเราถวายพรเพิ่มอยู่สามเดือนแต่ท่านอาจารย์มหาเสียงพุทธโทนปหกไปแต่งคาเทศของหลวงปู่มัน่นในเวลางานนั่นหลายพันฉบับหลวงปู่มหานี่ไม่ได้ไม่ได้แต่งเรากําลังปฏิบัติโชคโทนเราครับอยู่ในระหว่างห้าพัรษาจะไหม 5, 6, นั่นห้าพรรษาหกพรรษาเนี่ย ข้าพเามุดตัวใส่ท่านอาจารย์มหาเสียงเขียนแล้วเสียนวัดกัดมาเสียหวัดครับท่านอาจารย์ทองคํำกับบวชอีกแล้วท่านอาจารย์ทองคํากับบวชอีกแล้วราศีขากรกับบวชอีกแล้วได้ยสิบปัญษาสม่ไหนั่นก็เลยราศีขากรกับบวชอีกแล้วมาเยี่ยมสี่ห้าวันนี่มาเยี่ยมมาเยี่ยมเนี่ยอาจารย์ทองคําทีนี้หนังสืออันนั้นธรรมะชั้นสูงบอกว่า ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนศูนย์แต่ว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้ถ้าเปบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบไปบวกกับสองก็เป็นยี่สิบไปบวกกับสามก็เป็นสามสิบตลอดทั้งหมื่นแานไอ้ทิ่แท้คําสอนพระพุทธศาสน์คําสอนหลวงปู่มั่นมัาในพูดอย่างนั้นถ้าไม่มีที่อยู่ไปอยู่ที่ศูนศูนแต่ว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้คํานี้ท่านสูงของหลวงปู่มั่นไปกล่าวตูอย่างนั้นเราก็มีคําแซงใช่ีหมถ้าจะว่าศูนมันมีค่าก็ไม่ได้ศูน ว่าสวนที่มีค่าก็เพราะมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่ว่าอะไรไม่ว่าแต่สวนเลยขี้เป็นขี้ไก่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็ก็มีค่าทั้งนั้นไปรักเอาของเขาก็เป็นฟาระยเช็กคาราคาถึงบาทนะเขาพูดอย่างนี้สิ่งที่สวนที่มีค่าก็เพราะมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเราสิ่งทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพเดิมเป็นธรรมชาติเ่ยก็ปองวางอยู่นะเช่นั้นเองทีนี่ธรรมะหลวงปู่มั่นชั้นสูงมาจะพูดอย่างนั้น ท่านมาหาท่านมหาเราได้เย็นอยู่เราได้เย็นกับผงเราท่านมหาท่านมาหาท่านมาว่าให้หลวงปู่มหาบัวเพอยู่ด้วยกันถ้าสําคัญตัวว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นนี่ทําชั้นสูงของท่านถ้าสําคัญตัวว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นบัวคำย่อของท่านถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนศูนมันก็ไม่ถูกถ้าไปอยู่ในที่ศูนยศูนย์สคัญต้องไปอยู่ที่ศูนย์ศูนตายขานั้นก็ไปเป็นรูปกระพมใช่ไหมนั่น เพราะยังมีพระประจิตผู้รู้อยู่นี่แล้วก็เคยเลยเขียนหาหนังสือหาหลวงปู่มหาเจนีโอกาสท่านอาจารย์มหาก็ผมได้อ่านหนังสือชีว่าประวัติออมุต่อไทยขององค์หลวงปู่นั่นที่พิมพ์ครั้งแรกนี่เองถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์อย่างนี้ก็ผมเข้าใจว่า ทำคีทคําคีว่าประวัติและทำคำสอนขององค์พระ อ, อาจารย์ของเราให้จาลุงไม่ตรงกับคำหมายเพราะพูดแต่ง <c oughs> พูดแต่งหนังสือเป็นนักเรียนก็พูดข้ า, ขางตัวไม่ได้ปฏิบัติมีแต่คำพูดวันหนึ่งที่พวกกับผมกับท่านอาจารย์อยู่กับงกองค์ลูกมนั่นนะ ฉันยังหันแล้วหมู่นี้ไปหมดแล้วยังเหลืออยู่แต่กระผมกับท่านายการกับทนานจานวร์สามองค์องค์ลวงปู่มันก็พูดว่าท่านมหาถ้าไม่มีท่านหาถ้าทำความตัวว่าตัวเเป็นอันผิดทั้งนั้นทำชั่าสูงท่านพูดขนาดนี้แล้วพวกเราก็ลงมาย่อๆทนานการมหาคงจะเลิกได้เราก็อ้างท่านเป็นพยายามนี้ถ้าอย่างนั้น ทีว่าประวัติของท่านผู้ใดก็ตามจะแต่งมากแต่งน้อยครับเพียงไหนก็ตามมันสําคัญคันมันสําคัญอยู่ที่ธรรมะชั้นสูงครับธรรมะชั้นต่ําไม่สําคัญจะแต่งเป็นเล่มขนาดนี้ก็ตามจะแต่งย่อๆก็าตามสําคัญธรรมะชั้นสูงชีวประวัติของใครก็ตามเข้านึกอย่างนั้นเลยที่นี้ท่านอาจารย์มหาได้รับเกีห ม, มายแต่งใหม่ทีนี้แต่งใหม่เป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อ ส, อสี่มาดท่านก็หลงเอ่ยด้วยค่าอาจารย์มหา อไอ้ผีบว่าตัวนี้มันทำไมมันจําได้แท้และว่าอย่างไ้ไแล้วก็อ้างท่านที่ท่านอาจารย์มหากรฟ้านั่งฟังอยู่ที่นั่นนั่นพระอาจารย์มั่นเทอาจารย์มหานั่นเองแต่ว่ากับผมก็อยู่นั่นท่านอาจารย์วันก็อยู่นั่นหมู่ลงไปหมดแล้วท่านมหาถ้านําคัญตัวว่าสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นนี่หมายความเราวิจารนาตรงโจงทําชั้นสูงชุดยอดทีนี้ท่านเลยแจ้งใหม่ทีแต่ง มดตัวไทยเป็นข้ 1, ข 2, ขอหนึ่งข้อสองข้าสามไปนี่แปลงที่หลังนี่นี้ตัวท่านอาจารย์ทองคาท่านทองคำเข้ามาเนี่ยก็พูดให้ฟังท่านกานันเรา์ทองเราเรียกท่านอาจารย์แต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้นี่ท่านศึกสึกาศิกขาไปแล้วท่านได้มากราบเราทีนี่ท่านลาศิกขาไปไปเอาเมียไปเอาเอามียในลูกเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วกลับมาบวชทนี่ก็มาบวชก็มาถูกต้าเราทีนี่เราเกย์กลายเรากลายเป็นพระผู้ใหญ่กว่าท่านเสอะทีนี่นะ ไายนะ้นงคําก็อยู่บ้านพักคำภูใกล้บ้านบ้านน้องผืออะไรนั่นเองจังหวัดสกลนคร อ, อําเภอพานานี้ผมใกล้บ้านน้องผื อ, อนั่เองอาจารย์น้องคำมา ก, ก็เล่าให้กันฟังในเรื่องนี้แหละข้นขึ้นโอ้โอ้โอ้ท่านก็คุยอย่างนั้นเลยธ <c oughs> รรมะขั้นสูงมีนิดเดียวพระพาริยะก็เป็นตาสักไว้ารู้เป็นตาสักวก่า เ, เ, เห็นครับพอแล้วนะ เขบาดเปแก้ามาเี่ <laughs>